สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรามาถึงบทที่สําคัญของพระธรรมหนึ่งพงศษริย์บท1ครับก็คือบทที่17เป็นชีวิตของเอลียาผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นประกาศก ข, ของพระเจ้าเป็นผู้ประกาศหรือเป็นผู้เผยพระชนะผู้พยากรณ์คนแรกพี่น้องครับคําว่าคนแรกนี้มีความหมายว่า เป็นคนแรกในเรียกว่า divided kingdom ก็คืออาณาจักรที่แตกแยกเป็นสองอาณาจักรอาณาจักรเหนื อ, อนาจากใต้เรามาดูชีวิตของเอลิยากันนะครับว่ามีบทเตือนอะไรบ้างสำหรับเรา 1. นงพงกษัตร์บทที่17ข้อที่1ครั้งนั้นเอลิยาชาวทิชบีในกิเลอาตกาวกับอาหับว่าพระยาเวพระเจ้าอิสอเอลซึ่งเขาพระเจ้าปฏิบารับใช้อยู่นั้นทรงพระชนอยู่แน่ชันใด จะไม่มีน้ําค้างหรือฝนในสองสาปีข้างหน้าจนกว่าข้าพเจ้าจะบอกให้มีฉันนั้นแล้วมีพระดำรัสขององค์พู้ยเจ้ามาถึงเอลียาว่าจงไปซ่อนตัวที่ลําห้วยเครีดทางตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนเจ้าจะดื่มน้ําจากลําห้วยและเราได้สั่งให้นกกานําอาหารมาเลี้ยงเจ้าเอลียาก็ปฏิบัติตามที่องค์พู้ยเจ้าทรงบัญชา และไปอาศัยอยู่ที่ลำห้วยเครีทางตะวันออกของแม่น้ำจอแดนนกกาคาบขนมปังและเนื้อมาให้เขาทุกเช้าและทุกเยน็นและเขาดื่มน้ำจากราทานต่อมาลาห้วยนั้นก็แห้งผากเพราะไม่มีฝนตกเลยทั่วดินแดนนั้นแล้วพระเจ้าก็มีพระดำรัสของพระองค์มาถึงเอลียาว่าจงไปอาศัยอยู่ที่เมืองสาเรฟัตในไซดอน เราได้สั่งหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงดูเจ้าเอลียาจึงไปยังซาเรฟัตเมื่อมาถึงประตูเมืองก็เห็นหญิงไม้คนหนึ่งกำลังเก็บฟืนเขาจึงเรียกนางและร้องขอว่าช่วยเอาน้ำใส่เหยือกมาให้เราดื่มสักนิดได้ไหมขณะที่หญิงนั้นจะไปเอามาเขาบอกนางว่าโปรดช่วยเอาขนมปังมาให้สักชิ้นด้วยหญิงนั้นตอบว่า พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีขนมปังเลยสักชิ้นชันนั้นมีเพียงแป้งหยิบมือเดียวในหม้อกับน้ำมันก้นไห่นี่ก็กำลังเก็บฟืนจเจ้าไปทำอาหารกินกับลูกชายจากนั้นก็จะต้องอดตายเอริยากล่าวกับนางว่าอย่ากลัวเลยกลับบ้านไปทำตามที่เจ้าว่าเถิดแต่ทำขนมปังชิ้นเล็กๆมาให้เราก่อน จากนั้นจึงทำอาหารให้ตัวเจ้ากับลูกชายของเจ้าเพราะพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่าจะมีแป้งไม่ขาดหม้อน้ำมันไม่ขาดหาจนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ฝนตกลงมาบนดินแดนนี้หญิงใหมยนั้นก็ทำตามที่เอลียาสั่งแล้วก็มีอาหารทุกวันไม่ขาดสาหรับเอลียาและนางกับครอบครัวเพราะมีแป้งไม่ขาดหม้อน้ามันไม่ขาดหา เป็นจริงตามพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านทางเอลียาพี่น้องครับเราจะจบลงในวันนี้คือจบในข้อที่16พี่น้องครับบทเรียนในชีวิตของเอลียาวันนี้น่าสนใจมากครับมีบทเรียนหลายบทเรียนฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวของเอลียานั้นเอลียาเป็นประกาศศกของพระเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะคำว่าประกาศศกนะครับ ก็คือเป็นผู้ประกาศเป็น messenger of God เป็นประกาศส ข, ของพระเจ้าเป็นผู้เผยเพระชนะหรือเราเรียกว่าผู้พยากรณ์ก็คือ prophet พระเจ้าได้ส่งเอลียาให้เป็นคนแรกในบรรดาผู้เผยเพระชนะคนสำคัญสาคัญไปหาอิสราเอลและยูดาตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลหรืออาณาจักรเหนือนั้นไม่มีกษัตริย์ที่ซื่อสัตย์เลยไม่มีกษัตริย์ที่ดีเลยแต่และองค์นั้นชั่วร้ายหมดและนาประชากรไปกราบไหว้ พระต่างชาติปุโรหิตจากเผ่าเลวีก็เหลืออยู่ไม่กี่คนส่วนใหญ่เขาก็ไปอาศัยอยู่ทางใต้ครับก็คือไปในแผ่นดินยูดาและปุโรหิตที่บรรดากาศัตริ์อิสราเอลแต่งตั้งขึ้นก็คือเป็นพวกปุโรหิต จ, จอมปลอมเทียมเท็จช่อโกงไร้ประสิทธิภาพเมื่อไม่มีกาศัตริ์หรือปุโรหิตที่จะนำชนชาติของพระเจ้าและนำพระวจนะของพระเจ้ามาสู่ประชาชนประชากรของพระเจ้า พระเจ้าก็เรียกผู้เผยพระนะเอลียาห์ให้มาช่วยกอบกู้อิสราเอลจากความตกต่ำทางด้านศีลธรรมและจิตวิญญาณในประวัติศาสตร์ต่อมาอีก300ปีของ divided kingdom ผู้เผยพระนะแต่ละคนแต่ละคนก็ถูกส่งมาครับผู้เผยพระนะเหล่านี้นั้นมีบทบาทสำคัญทั้งในอิสราเอลและยูดาซึ่งมีหน้าที่ที่จะกระตุ้นให้ผู้นากลับใจครับ หันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างดังเช่นในรัชสมัยของกษัตริย์อาหับซึ่งเป็นสมัยที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดครับพี่น้องครับบทเรียนของเอลียาก็คือการเลี้ยงดูจากพระเจ้าในขณะที่เอลียาได้บอกกับอาหับถึงคํำพยากร์น้ำมันไทยของพระเจ้า จะไม่มีน้ําค้างหรือฝนใน 2-3 ปีแล้วเขาจะอยู่ด้วยน้ําอะไรครับอยู่ได้น้ําที่มาจากลําธารน้นําที่มาจากลําธารหรือมาจากแม่น้ําจอแดนนี่นะครับก็ไหลมาจากทะเลสาบแกลลิลี่ทะเลสาบแกลลิลี่ก็จะรับน้ําจากบรรดาภูเขาสูงๆทั้งหลายเช่นภูเขาเฮอร์โมนภูเขาในแถบแถบนั้นนะครับในภูมิประเทศของอิสราเอลนั้นก็หล่อเลี้ยงด้วยน้ําเช่นนี้แหละครับ แต่ว่าความแห้งแล้งนั้นเกิดขึ้นน้ำค้างนั้นก็เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างหนึ่งครับที่ใช้ดูแลหรือปลูกพืชทำไร่ทำสวนแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไม่เมื่อไม่มีน้ำนะครับในหน้าแล้งก็จะเป็นฤดูที่แห้งผักจริงๆพระเจ้านั้นได้ใช้นกที่เป็นมนทินในพระกัมพีเดิมก็คือนกกา มาเลี้ยงเอาอาหารมาเลี้ยงเอลียาครับในในข้อที่5้าพิ่มปีกล่าวว่าเอลียาปฏิบัติตามที่องค์พระบูญเจ้าทรงบัญชาและไปอาศัยอยู่ที่ลําห้วยเครีดทางตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนนกกาก็คาบขนมปังและเนื้อมาให้ทุกเช้าทุกเย็นและเขาก็ดื่มน้ําจากลาธารความจริงแล้วการดื่มน้ําจากลำธาร น, นั้นมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยจะมั่นคงถาวรไม่ว่าอินสิเคียว นะครับในสายตาของมนุษย์นั้นเราจะพบว่าพระเจ้าก็จะนำความแห้งแล้งมาทาไมพระเจ้าให้ไปอยู่ที่ถินธุรกันดาลแล้วก็ดื่มน้ำจากลำธารเครีดซึ่งกำลังจะแห้งที่น้องครับในสายตาของมนุษย์แล้วคำสั่งของพระเจ้าเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่แต่บทเรียนหนึ่งที่เราได้ก็คือว่า เราจะเห็นความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาถึงชีวิตของผู้รับใช้ของพระองค์ในยามมีไม่ได้คาดฝันครับในยามที่ไม่ได้คาดฝันนั้นพระเจ้าได้จัดเตรียมให้กับผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยวิธีที่เกินความจํากัดวิธีที่ไม่คาดฝันวิธีที่เหนือความคิดของเราเหนือความคาดหวังของเราพี่น้องครับความคาดหวังของเรานั้น ก็แม้ว่าจะมีเหตุมีผลแต่มันมีความจำกัดครับมันมีความคับแคบเราเห็นว่าจากชีวิตของเอลยาครั้งนี้เราเห็นการทดลองรุนแรงสถานการณ์ต่างๆดูเหมือนสิ้นหวังแต่เราสามารถพึ่งพาพระเจ้าได้เพราะการเลี้ยงดูการดูแลการพิทักษรักษาที่มาจากพระเจ้าจะมาถึงคนของพระองค์ เราสามารถที่จะพึ่งพาและก็พบกับการจัดเตรียมของพระเจ้าในทุกๆ ท, ที่ที่พระเจ้าให้เราไปและเป็นการจัดเตรียมที่บางครั้งเราคาดไม่ถึงด้วยซ้าพี่น้องครับเมื่อจบฉากของห้วยเคริดเมื่อลําห้วยแห้งพระเจ้าก็นําเอริยา ที่เมืองสาเรฟัดไม่มีฝนตกพระเจ้าก็ได้ให้คนที่เป็นหญิงหม้ซึ่งมีศักยภาพน้อยที่สุดเลี้ยงดูเอลียาครับพี่น้องครับเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วผมมีความรู้สึกสะเทือนใจมากทำไมพระเจ้าทำแบบนี้ ในสายตาของมนุษย์นั้นไม่มีเหตุผลเลยครับทําไมไม่ไปหาคนที่ร่ํารวยทําไมไม่ไปหาคนที่มีอํานาจแต่ไปหาหญิงไม้พี่น้องข้าพระเจ้ากํำลังบอกกับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าในวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไม่เต็มเวลาก็ตามแต่เมื่อพระเจ้านั้นทรงมีพระบัญชาให้เราไปที่ไหน พระเจ้ารับรองการเลี้ยงดูกับแม้ว่าที่นั่นจะดูเหมือนไรเหตุผลที่เขาจะสามารถเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้าได้พระเจ้าได้สั่งหญิงไม้ให้เลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์เอลียาก็ไปที่เมืองซาเลฟัดไปถึงที่ประตูเมืองก็เห็นหญิงไม้เก็บฟือนอยู่ก็เลยลองขอน้ำขออาหารแต่หญิงนั้นก็ตอบว่าพระเจ้า ทงพระชนอยู่แน่ฉันใดดิฉันไม่มีขนมปังเลยสักชิ้นหนึ่งมีเพียงแป้งหยิบมือเดียวในหมอน้ํามันกน้นไหเอลียาก็หนุนใจเขาครับว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยพี่น้องครับคําว่าอย่ากลัวเลยพูดครั้งเดียวแต่ผมขอนะย้ําเน้นถึงสมครั้งครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามักจะกลัว เราไม่จะกลัวในขณะที่เราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่จะดูแลผู้รับใช้นั้นเรามักจะกลัวแต่ว่าพระเจ้าได้ให้กำลังใจบอกว่ากลับบ้านไปทำที่ตามที่เจ้าว่านั้นเถิดคือเก็บฟืนทำอาหารกินกับลูกแล้วรอตายก็แล้วกันจะทำขนมชิ้นเล็กๆมาให้เราก่อน จากนั้นก็ทําอาหารให้กับตัวเจ้าลูกชายของเจ้าพี่น้องครับอาหารที่กินได้สองคนกับกลายเป็นอาหารที่กินได้ตลอดจนถึงวันที่องค์พุทธเจ้าส่งฝนลงมาบนแผ่นดินนี้หญิงไม้นั้นก็เชื่อฟังครับไปทําตามที่เอริยาสั่งในที่สุดก็มีอาหารทุกวันไม่ได้ขาดพี่น้องครับการเลี้ยงดูของพระเจ้าก็มาถึงครอบครัวนี้ รวมทั้งถึงผู้รับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราได้รับบทเรียนว่าเราจะต้องดูแลคนของพระเจ้าให้ดีเพราะว่าคนของพระเจ้านั้นจะนามาซึ่งพระพรมากมายที่จะมาถึงครอบครัวของเราพี่น้องครับนี่คือบทเรียนที่สำคัญมากพระเจ้าจะไม่ทิ้งคนที่ดูแลคนของพระเจ้าคนของพระเจ้าจะได้รับการดูแลจากพระเจ้า อย่างแน่นอนขอพระเจ้าช่วยข้าพเจ้าและพี่น้องที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จะมั่นใจในการเลี้ยงดูจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์อาเมน